ธรรมชาติมีสองธรรมชาติคือธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งกับธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งไม่อาจปรุงแต่งได้เรียกว่าวิสังขารหรื อ, อสังขตธาตุเพราะนั้นธ i. รรมชาติแท้ๆก็มีแค่สองอย่างเฉะนั้นอะไรก็ตามที่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเรามีความรู้สึกว่าเราจะรักษาตัวเราเองไว้ให้สะอาดบริสุทธิ์มีความรู้สึกว่ามีตัวเราเข้าไปยุ่งกับอะไรเราพยายามจะทําให้ตัวเราเนี่ยไม่ยุ่งกับอะไร การที่เราพยายามจะทําอะไรได้อย่างเนี้ยธรรมชาติฝ่ายที่ไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันไม่สามารถไปทําอย่างนั้นได้มันต้องหลงเอาธรรมชาติฝ่ายที่ปรุงแต่งเนี่ยมาปรุงแต่งเล่นกับมันอยู่อย่างนั้นนหละเล่นเป็นตัวเราจะพยายามทําให้ตัวเราเนี่ยไม่ไปยึดอะไรไม่ไปติดอะไรหรือพอแล้ตัวเราไปติดอะไรแล้วเรู้สึกว่าตัวเราไปติดอะไรเราก็พยายามจะทําให้ตัวเราเนี่ยออกมาจากสิ่งที่เราติด ในการที่มันเล่นแบบนี้ได้มันต้องเอาสังขารมาเล่นต้องเอาความปรุงแต่งมาเล่นถ้าเราลงเล่นไปกับมันจริงๆเนี่ยเราจะกลายเป็นหลงทางขานเพราะหลงสังขารเนี่ยสังขารก็จะบางธรรมหรือเรียกว่าสังขารทั้งหมดเรียกว่าขันห้ามันจะหลงเอาขันห้าไปเล่นยึดกันหน้าเป็นตัวเราแล้วเอาตัวเราเนี่ยไปเล่นพยายามจะยึดมารักษาตัวเราไว้บ้างแล้วก็ตัวเราหลงไปไปติดกับอะไรแล้วพยายามจะดึงตัวเราออกมาให้ได้ จะยามจะดึงตัวเราออกมาจากสังขารเนี่ยมันลอยตัวเป็นอิสระออกมาถ้าเราหลงเล่นแบบนี้เราก็หลงเล่นอยู่ในสังขารในขนาน้าหมดเลยตรเนี้ยเพราะว่าธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งมั น, มนทําอย่างนั้นไม่ได้ธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งมันจะไม่รู้สึ ก, กว่ามีตัวเรามันจะรู้สึกเป็นมีตัวเราไม่ได้เพราะเป็นธรรมชาติที่มีแต่ความรู้ที่เป็นความว่างเปล่ามันจะ ไม่มีความรู้สึกเป็นตัวเราไอ้ที่เรามีความรู้สึกเป็นตัวเราเนี่ยมันต้องลงเอาขันหน้ามาปรุงแต่งให้ว่ามีความรู้สึกเป็นตัวเราเราจึงหลงไปเล่นกับขา น, น้าหลงเอาขั น, น้ามาบางังทำบางทำอะไรล่ะก็บางธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งทำก็คือธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเพราะทํา ม, มันมีสองสองสองธรรมชาติคือธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งกับธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งถ้าเราห ล, ลงอ่ะหลงไปเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งหลงเล่นกับธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่ง หลงคิดหลงน you, Councill, ึ me, นกหลงตึกหลงตองหลงรู้สึกหลงเอาความรู้สึกหลงเอาความคิดเป็นตัวเราอะเราก็จะหลงอยู่กับไอ้สังขารหลงกับธรรมชาติที่ปรุงแต่งก็หมดโอกาสที่จะเป็นวิสังขารคือธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเหมือนกับธรรมชาติมันมีอยู่สองหน้าหน้ามือกับหลังมือเนี่ยหน้ามือกับหลังมือถ้าเป็นหน้ามือมันก็จะไม่เป็นหลังมือถ้าเป็นหลังมือมันก็จะไม่เป็นหน้ามือเพราะธรรมชาติมันมีแค่สองอย่างคือธรรมชาติที่ปรุงแต่งกับไม่ปรุงแต่ง ถ้าเร า, เราตัวเราตัวเราตัวเราตัวเราเป็นธรรมชาติที่บุ้งแต่งอยู่เนี้ยมันก็หมดโอกาสเป็นธรรมชาติฝ่ายไม่บุ้งแต่งเพราะถ้าเราจะเป็นธรรมชาติฝ่ายไม่บุ้งแต่งจะต้องไปเป็นธรรมชาติฝ่ายบุ้งแต่งเพราะธรรมชาติมันมีแค่สองหน้าเนี้ยแต่คนทั้งหลายก็ยังปฏิบรรัติผิดคือปฏิบรรัติผิดยังไงกรณีแรกก็คือพยายามไปดับธรรมชาติฝ่ายบุ้งแต่งเพื่อจะให้มันเนี่ยไปเป็นธรรมชาติฝ่ายไม่บุ้งแต่งเข้าใจไหม คือปฏิบัติโดยเข้าใจผิดรูปร่างกายคือรูปเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขความรู้สึกเป็นทุกข์ความรู้สึกเป็นกลางๆคือเป็นเวทนาขันเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งสัญญาความจําได้ไหมรู้เป็นเป็นสังขารเป็นสัญญาขันเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งสังขารความค <coll ective nasze forme> <laughs> ิดปรุงปรุงคิดเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งแล้วก็วิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ เป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งเขาก็ต้องเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งชื่อบอกแล้วว่าเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งขันห้าเนี่ยต้องเข้าใจซะก่อนว่าขันห้ามันเป็นชีวิตเป็นชีวิตตามปกติธรรมดาที่เกิดมาจากสเปิร์มของพ่อไข่ของแม่ผสมพัน์กันสเปิร์มเป็นาธาตุดินไข่ของแม่เป็นาธาตุน้ําก็เริ่มมาจากดิก น, นกับน้ําผสมกันแล้วแม่ก็หายใจเอาธาตุลม แล้วก็ธาตุฝ่ายความร้อนเข้าไปผสมไปเคี่ยวก็ไม่เป็นให้เป็นจุดเลือดเป็นก้อนเลือดขึ้นมาโดยกินแม่ก็กินในสัตพืชสัตว์สัตว์แล้กินน้าเข้าไปกินลมลมหายใจเข้าไปกินความร้อนเพิ่มเติมเข้าไปธาตุกินธาตุธาตุกินธาตุแล้วเราออกมาข้อ่อมาเราก็มากินธาตุกินธาตุเพิ่มเติมต่อธาตุกินธาตุกินสัตวพืชสัตว์กินน้ํากินลมกินอากาศมันเหลือธาตุเดียวที่ที่มันไม่ต้องเติมคือ ธาตุว่างธาตุรู้ที่ว่างเปล่าธาตุรู้ที่ว่างเปล่าเนี่ยมันไม่ต้องเติมธาตุอื่นเนี่ยมันต้องเติมอยู่ตลอดเลยเดี๋ยวธาตุดินก็ต้องเติมทุกวันมาเช้าก็เติมกบ้างเดี๋ยวก็ต้องเติมน้ําเนี่ยเติมธาตุน้ําเติมลมหายใจให้เข้าหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็เติมความร้อนเติมกับอบอุ่นก็สู่ร่างกายเหลือธาตุธาตเดียวที่ไม่ต้องเติมคือธาตุรู้ที่ว่างเปล่าเนี่ยไม่ต้องเติมธาตุนี้ไม่ต้องเติมเพราะว่ามันเป็นธาตุว่างมันไม่มีพร่อง ไม่พร่องทาดว่าไม่มีพล่องไม่มีว่างบ้างไม่ว่างบ้างมันเป็นคุณสมบัติของมันคือเป็นธาตุว่างอยู่ตลอดกาลมันไม่มีพล่องมันไม่ต้องเติมเมืม่อธาตุทั้งห้าธาตุหรือถ้าเขาเอาเอาอากาศด้วยเอาอากาศคือความว่างในช่องว่างเอาอากาศที่มันมันที่ไม่มีความรู้แต่ธาตุรู้เป็นความว่างเช่นเดียวกับความว่างของอากาศหรือความว่างของธรรมชาติจักรวาลแต่มันมีความรู้แล้วนั้นแหละเวลาเขา เรียกว่าะธาตุที่มันผสมกันเขาบว่าร่างกายจิตใจเนี่ยจะผสมได้ธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟแต่ก็อากาศสธาติที่เป็นความว่างแล้วก็ธาตุรู้ธาตุรู้ก็เป็นความว่างเป็นความว่างอันเดียวกับความว่างธรรมชาติเนี่ยแต่มันต่างกับความว่างธรรมชาติคือมันเป็นความว่างที่มีความรู้แต่ความว่างธรรมชาติเนี่ยไม่มีความรู้เหตุใดเราจะต้องมาเข้าใจว่าความว่างธรรมชาติกับ กลับไปจิตดั้งเดิมแท้หรือใจดั้งเดิมแท้เนี่ยเป็นความว่างาเดียวกันกับธรรมชาติแต่ความว่างของธรรมชาติเนะี่ยไม่มีความรู้แต่จิต ด, ดั้งเดิมแท้หรือว่าใจดั้งเดิมแท้เนี่ยหรือปฏิสุลที่วิ ญ, ญญาณที่ที่เข้ามาผาสมเนี่ยแต่ปฏิสุลที่วิญญาณเข้ามาผาสมมันมีอวิชชาผาสมอยู่ยังมีความยึดถืออยู่เ <Thank S 2> มื่อสิ้นความยึดถือมันจะเป็นธาตุว่างที่บริสุทธิ์จะกลายเป็นธาตุว่างไปจะกลายเป็นธาตุว่างหนึ่งเดียวกันในธรรมชาติจักรวาลไป แต่ธรรมชาติจักรวาลมันไม่มีความรู้ความว่างไม่มีความรู้แต่ความว่างของจิตดั้งเดิมแท้ๆหรือว่าจะดั้งเดิมแท้เป็นความว่างเดียวกับธรรมชาติจักรวาลแต่มีความรู้อันนี้เป็นเหตุที่ทําให้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อเมื่อดับขันปรินิพานแล้วเนี่ยไม่หายสูญไม่หายสูญไปเพราะว่าถ้าถ้ารู้เป็นความว่างซึ่งเป็นความว่างเดียวกับธรรมชาติจักรวาลไม่มีความรู้สัก อ, อย่างเดียวนั่นแหละ มันจะกลายไปเป็นความว่างอันเดียวหายหายปุ๊บกลายไปเป็นความว่างอันเดียวกับธรรมวัตธรมชาติจักรวาลแล้วก็หายสูญเลยดังนั้นท่านที่กล่าวว่าะพเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อดับขันบริิพันธ์แล้วไม่ได้หายสูญไม่ได้หายสูญแต่ก็ไม่ได้ว่ามีตัวตนเป็นรูปเป็นล่างเป็นรูปพันสันธานมีเมืองเป็นภพผู้อะไรอยู่ไม่มีไปหายไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจักรวาลเป็นเนื้อเป็นเป็นความว่างอันเดียวกันแต่ มันไม่เหมือนกันอยู่ตรงที่เป็นความว่างนันเดียวกันแต่จิตดังเดิมแต้แหรือใจดังเดิมแท้เป็นธาตรู้เป็นความเป็นความรู้เป็นความรู้อยู่ในความว่างในธรรมชาติจึงไม่ได้หายสูญแต่ไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาคือมีตัวตนอยู่ตลอดเวลามีรูปร่างมีรูปพันธุ์านมีดวงลอยไปลอยมาเลยไม่มีอยู่ตลอดเวลาเพราะเมื่อเราเข้าใจธรมธรมชาติธรรมะคือธรรมชาติ เมื่อเราเข้าใจธรรมชาติเราจะไม่ปฏิบัติมั่วเอไม่ปฏิบัติมั่วเป็นการปฏิบัติของเราจะมั่วมากเลยมั่วปฏิบัติกันมั่วมากเลยผิดปุตติถูกแล้วก็เชื่อนน่นเชื่อนี่โดยที่ไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจผิดพลาดยังไงก็คือผิดพลาดคือว่าเมื่อธาตุมารวมกันแล้วเนี่ยมันเป็นธาตุธรรมชาตธาตุที่มันมารวมได้ด้วยอํานาจของอวิชชาที่ยังยึดอยู่ยังหลงยึดอยู่เลยธาตุมารวมกันได้เอาธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุ ที่เป็นความว่างแล้วก็ธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุที่เป็นความว่างที่มีความรู้มารวมกันแล้วมันก็เลยกลายเป็นนามรูปกลายเป็นนามรูปขึ้นมานามรูปก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็รูปก็คือร่างกายกลายเป็นนามรูปขึ้นมากลายเป็นนามรูปก็คือเป็นชีวิตขึ้นมานี่เองก็กลายเป็นชีวิตที่มีชีวิตคือเป็นสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมา พอวิญญาณธาตุธาตรูมมาเข้าผสมนั่นแ่ละการเป็นสิ่งที่มีชีวิตมาแต่ตัวที่มันเข้าทําให้ธาตุดินน้ําลมไฟอากาศธาตุแล้วก็ธาตุรูมารวมมารวมกันได้เนี่ยก็มีอวิชาเนี่ยอวิชาอาวิชาเนี่ยเป็นยางเหนียวเป็นยางเหนียวคือมันทําให้เอาธาตุทุกธาตุมารวมกันแล้วแล้วก็ติดกันได้ด้วยอำนาจของอวิชาคืออวิชาจึงแปลมันเป็นยางเหนียวความยึดเเนี่ยยึดไอ้กาวที่ยึดติดได้เนี่ย แล้วแนวที่ยึดสามารถยึดเอาธาตุมารวมกันเป็นรูปร่างต่างๆในพชาติพบภูมิต่างๆได้ก็ด้วยอํานาจของอวิชชาเนี่ยที่มันเป็ น, เ ป, นเป็นกาวยึดเขาเลยเรียกว่ายางเหนยียวยึดเนี่ยยึดมันมันยึดได้ยางเหนียวยึดได้พอสิ้นอวิชชาเขาจึงเรียกว่าวิราคะวิวิราคะคือกาวเนี่ยมันเสื่อมคุณภาพหมดยางเหนียวมันไม่สามารถที่จะทําให้ธาตุธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุแล้วก็ธาตุรู้ที่เป็นความว่างเนี่ย มาติดกันได้ต่อไปเพราะว่ามันหมดยางเหนียวแล้วเรียกว่าวิลาคามันเหมือนไอ้ตุ๊กตายางที่มาติดกระจกเนี่ยไอ้ที่เราเอาไว้ไอ้ตัวดูดเอาตัวดูดสูญอากาศมาติดที่กระจกเนี่ยเพราะมันหมดคุณภาพแบบมันหมดยางเหนียวแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถติดอยู่ที่กระจกได้มันก็ต้องหลุดออกเราพอมาหลุดร่วงไปเนี่ยเราติดไว้แล้วก็คอยร่วงมาเรื่อยเราก็ไปจับมันแปะแปะที่ไรเดังยวมัร่วงอีกเพราะว่ามันหมดยางเหนียวเนี่ยเขาเรียกว่าวิลาคะเพราะมันหมดยางเหนียวแล้วเนี่ย ธาตุดินน้ำลมไฟอากาศธาตุแล้วก็ธาตุรู้เนี่ยหรือวิญญาณธาตุเนี่ยมันก็ไปสามารถมามาติดกันได้เพราะว่าไอ้อวิชาซึ่งเป็นกาวเนี่ยเป็นยาเหนียวเนี่ยมันเสื่อมคุณภาพหมดคุณภาพก็ลเลยเรียกว่าวิลาคะตอนนี้เมื่อเข้าใจที่ต้องเข้าใจก่อมถูกต้องอย่างไรก็คือว่าเมื่อธาตุเนี่ยมันรวมกันแล้วทุกธาตุมันรวมกันแล้วจึงเกิดเป็นชีวิตขึ้นมาเป็นนามเป็นรูปขึ้นมา เป็นนามรูปขึ้นมาแล้วก็มีสลายยตะนะเริ่มมีตาหูจมูกลิ้นกายประตูใจมีประตูทั้งหกประตูขึ้นมาสมบูรณ์บริบูรณ์ล้คลอดว่าเป็นทาลกถ้าถ้าไม่ไม่มีความพิการนะก็คลอดอกมาเป็นทาลกที่สมบูรณ์บริบูรณ์นั้นที่ต้องการให้ทําความเข้าใจคือว่าขันห้าที่มามารวมกันของธาตุทั้งหมดเนี่ยขันห้าไม่ได้เป็นกิเลตต้องเข้าใจตรงนี้นะ สำคัญมากที่ตุดตรงนี้คือขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นหน้าที่ของธรรมชาติทํางานตามธรรมชาติที่ธาตุมารวมกันรูปก็ทํางานของรูปไปเวทนาก็ทําหน้าที่ของเวทนาไปคือทําหน้าที่ของเวลาไปกระทบอะไรอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบกับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรส ผลทปะหรือสัมผัสแล้วก็ทำอารมณ์เมื่ออายตนะภายในกับอายตนะขายนอกกระทบกันวิญญาณาขันเน่ยวิญญาณาขันจิตหรือวิญญาณาขันในขันธ์ที่ห้าเนี่ย<ม>ก็ต้องไปรับรู้ไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธทำอารมณ์เมื่อรับรู้แล้วก็ต้องส่งต่อเวทนาเนี่ยมันเป็นกระบวนการทํางานของธรรมชาติคือรับรู้แล้วก็ต้องส่งต่อเวทนาคือมีความถูกใจไหม ต่อสิ่งที่ไปรู้ในขณะปัจจุบันนะถ้าถูกใจก็เป็นสุขเวทนาถ้าไม่ถูกใจก็เป็นทุกขเวทนาถ้าการรับรู้ในขณะนั้นกระทบกันในขณะนั้นกับอายตนาภายในภายนอกกระทบกันแล้วไม่เกิดความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกขเป็นกลางๆเรียกว่าอัตุขประสุขเวทนาหรืออุเบคาเวทนาแล้วก็ส่งต่อสัญญาจําได้ไหมายรู้ว่าอะไรเป็นอะไรส่งต่อสังขารคือความคิดปุ่งปุ่งคิด นี่เป็นธรรมชาติเป็นกระบวนการทำงานของชีวิตจะต้องทำในงานอย่างนี้จนกว่าจะตายเป็นกระบวนการของทำงานของชีวิตเป็นปกติธรรมดาแบบนี้ถ้าไม่มีความยึดกันไม่มีความหลงยึดขันห้าเขาก็ไม่เป็นไม่เป็นกิเลสอะไรเลยแล้วไอ้การกระบวนการที่ไปยึดได้ไม่ได้เอาขันห้ายึดแต่มันพอมันเกิดความยึดขึ้นมันเอาเครื่องมือของขันห้าเนี่ยไปทางานที่ผิดปกติเอาเครื่องมือของขันห้าไปยึด แต่ความยึดเนี่ยอวิชามันติดอยู่ที่ธาตุรู้ไอตัวที่อวิชายมันติดอยู่ที่ธาตุรู้ปฏิสตุนทิวิญญาณอันแรกที่เข้ามาผสมนุ่นมันลอยมาเนี่ยปฏิสตุนทิวิญญาณลอยมาผสมกับธาตุดินน้ํำลมไฟสเปิร์มของพ่อกับไข่ของแม่แล้วก็ซากพืชซากสัตว์แล้วก็ธาตุลมหายใจธาตุไฟมันเป็นธาตุพวกนี้ไม่ได้เป็นกิเลสแล้วก็บวกกับธาตุรู้ไอธาตุที่มารวมกันเนี่ยมันไม่เป็นกิเลสที่มารวมกันเป็นขันธ์ห้าเนี่ยไม่ได้เป็นกิเลส พราะมันมีคิดความคิดอะไรมีอารมณ์อะไรมันก็มีดีมั่งไหมดีมั่งกุศลมั่งอะกุศลมั่งแต่ตัวมันนะมันไม่เรียกเลยว่ามันดีหรือไม่ดีกุศลหรืออกุศลมันไม่เรียกเลยมันเป็นแต่การทํางานของปฏิกิยาของอากาศของของกระบวนการของธรรมชาติมันไม่ได้มีกิเลสในนั้นเลยไม่แต่เราเนี่ยไปใส่ชื่อสมมติว่านี่เป็นกุศลนี่เป็นอกุศลเราหลงตามมันไปเอาขันมันมีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราแล้วเราหลงตามไปไปยึดริงเรานั้นจริงๆไปรักไปชังจริงๆมันจึงเป็นกิเลส ติกริยาของอาการของขันห้าแต่แท้ไม่ได้เป็นกิเลสเมื่อเราเข้าใจกระบวนการทํางานของขันห้าแต่แท้ของชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นกิเลสกิเลสคืออวิชชาที่มันมันติดอยู่ในธาตุรู้มันติดมาตั้งแต่ดั้งเดิมของธาตุรู้ที่ที่มาประสมกับธาตุดินน้ําลมไฟอวิชชาตัวเนี้มันเลยรู้สึกว่าเป็นตัวเรามันรู้สึกว่าเป็นตัวเราพอรู้สึกว่าเป็นตัวเรามันก็เลยไปยึดไอขันห้าเนี่ย ขันห้าไม่เป็นกิเลส น, นะแต่มันเอ า, เอาวิชาเนี่ยความหลงเนี่ยมายึดไอ้ขันหน้าขันห้าตัวมันไม่เป็นกิเลสแต่อวิชาที่ติดอยู่ในธาตุรู้เนี่ยมันเป็นรู้หลงรู้ผิดมันเอ า, าอมายึดขันห้าพอมายึดขันหน้าปุ๊บมันก็เลยเริ่มเป็นอวิชา ท, ที่ยึดมาแต่ชาติเดิมว่าชาติแรกๆนู่นเลยตั้งต้นมันตั้งแต่ชาติแรกๆนู่นเลยเกิดมาก็ยึดเลยในรูปร่างของตัวเองแต่ละชาติวันนี้ตัวกูพอยึดใหม่เปลี่ยนร่างไปก็นี่ก็ตัวกูยึดใหม่เปลี่ยนไปก็ตัวกู มันไปเอาไอ้ตัวที่ผสมเสร็จแล้วทุกชาติเป็นตัวกูตัวกูตัวเราตัวเราตัวตนของเราแล้วไอ้ตัวตัวยึดตัวเนี้มันก็เอาตัวเราเนี่ยอตัวเป็นขาหน้าอาศัยเครื่องมือของขาหน้าในแต่ละชาติเนี่ยเอาไปยึดสิ่งใดภายนอกของขาหน้ารวมทั้งยึดขาหน้าเองคือไอ้รูปร่างที่เปลี่ยนไปแต่ละชาตินี่ตัวกูตัวกูแต่มันไม่เข้าใจสักชาติเดียวมันไม่เข้าใจเลยไม่มันไม่มีใครชี้แนะแล้วตัวเองก็ไม่เข้าใจว่าไอ้ตัวที่ผสมเสร็จเนี่ยไม่ใช่ตัวเรา มันเป็นตัวผสมมันในแต่ละชาติในปัจจุบันนั้นมันตัวมาผสมกันด้วยธาตุแล้วมันก็แตกดับสลายไปธาตุคลายธาตุบานตามเดิมแต่ที่มันไม่เคยแตกไม่เคยดับไม่เคยทําลายเลยนั่นก็คือไอ้ตัวธาตุรู้นี่เนี่ยมันเป็นความว่างเปล่ามีแต่ความรู้ที่เป็นความว่างเปล่าไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างมันจึงไม่มีใครทําลายมันได้ไม่มีอาวุธใดในโลกทําลายมันได้นิพพานก็ฆ่ามันไม่ตายเพราะว่ามันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยมันมีแต่ความรู้มันหายไปอย่างเดียวหายไปตัวเดียวคือ อวิชาคือความโง่หรือความหลงที่มันติดมากับไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันยึดทุกชาติไปว่าพอรูปมีเกิดมาในชาติใดรูปร่างเปลี่ยนไปมันก็นยึดเอารูปร่างที่เปลี่ยนไปแต่ละชาติเป็นตัวกูมันก็ไวไอ้รูปร่างแต่ละชาติที่มีเวทนามีความรู้สึกอย่างใหม่มีสัญญาจําได้ใหม่รู้อย่างใหม่มีสังขารคือความคิดปรุงปรุงคิดอย่างใหม่ตามแต่ว่าแล้วแต่ว่า จะไปเกิดเป็นรูปร่างอะไรแล้วก็ไปมีพ่อตัวใหม่มีแม่ตัวใหม่ผสมพันธ์กับไอ้ตัวผู้ตัวเมียตัวใหม่มีลูกหลานตัวใหม่เปลี่ยนรูปร่างไปมีชื่อใหม่แล้วมันก็ไปยึดไอ้ตัวใหม่เรื่อยไปอมันเลยลืมไปเลยว่ามันมีมันมาจากไหนอ่ะมาจากธาตุผสมกันแล้วไอ้ที่มันไปได้แล้วมันเหมือนกับตัวนั้นอะเป็นเรามันออกเปลี่ยนถ่ายร่างไปนั่นแหละมันไม่เคยแตกไม่เคยดับไม่เคยตายเลยเนี่ยพุทธะหรือว่าพุทธะนี่ก็ได้ ท่านรู้ดังเดิมแต่แท้ที่เป็นพุทธะเนี่ยไม่เคยแตกไม่เคยทําลายไม่เคยตายเปลี่ยน่ายร่างไปแต่เปลี่ยนไทยร่างไปแบบโง่โงแบบยึดยึดมันก็ไปยึดเอาพอผลไปผสมเสร็จเป็นร่างใหม่ก็นี่ก็ร่างนี้ตัวกูไปเปลี่ยนร่างใหม่ก็นี่ก็ตัวกูนี่ก็ตัวกูแล้วตัวกูที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ได้เวลาพอจะตายในแต่ละร่างแต่ละธาตมันก็ร้องโหม่ร้องไห้กลัวตายจะเป็นบ้าเป็นหลังกระเสือกกระสนที่หลนไม่อยากตายแต่มันลืมไปเลยว่าไอ้ร่างมันแต่ละแต่ละชาติเนี่ย ตายมาทุกล่างแตกดับมาทุกล่างเราไม่เคยตายนะเราไม่เคยตายเป็นธาตุรู้เป็นจิตดั้งเดิมแท้ๆไม่เคยเกิดไม่เคยดับคิดนม่ติดตอมปรุงแต่งไม่ได้มีแต่ความว่างมีแต่ความรู้ที่เป็นความว่างเปล่าไม่เคยแตกไม่เคยดับไม่เคยแตกไม่เคยทําลายไม่มีวุตใดๆในโลกมาทําลายได้นิพพานก็ฆ่าไม่ตายมันไม่เข้าใจสัทีธาตุรู้มันก็เลยไม่บริสุทธิ์สัทีไม่กลายเป็นความว่างที่บริสุทธิ์มันมีอวิชชาติดไปทุกชาติบังก็เลยไม่เป็นความบริสุทธิ์สัทีเหมือนทองคําแท้เนี่ย มันเกิดมาคูา่กับธรรมชาติในใต้โลกนี้ก็มีทองคําแล้วแต่มันกลายเป็นทองคําที่ผสมกับแร่ธาตุอื่นที่ยังไม่ได้ถลุงออกเอาไอ้ไอ้แร่ธาตุที่ปลอมปนออกมันก็เลยกลายเป็นทองคําที่ไม่บริสุทธิ์แต่มันมีทองคําแล้วใต้ดินเนี้ยพอผู้มีปัญญาเนี่ยมารู้จักถลุงเอาไอ้ไอ้แร่ที่ ป, อปลอมปนกับทองคําออกมันก็เลยกลายเป็นทองคําที่บริสุทธิ์ไอ้สิ่งที่ ป, อปลอมปนกับแร่ทองคําเนี่ยมันก็นเหมือนกับอวิชาเนี่ยไอ้ทองคําก็คือจิตเดิมเดิมแท้แท้เนี่ยมันมีอยู่แล้วในธรรมชาติ เป็นของคู่ติดกันมาเป็นของธรรมชา ต, ติแล้วมันเกิดมาคู่กับเอาวิชามาโดยธรรมชาติเหมือนทองคำเนี่ยติดใต้ดินมันเกิดมามีปอมปนโดยธรรมชาติมันเกิดคู่มาคู่กันนั้นพระเจ้าก็ให้เครื่องมือมาคืออริยมรรคก็คือสติธรมาีิปัญญาเนี่ยมีปัญญาเห็นชอบปัญญาเห็นจริงตามที่คําสอนพระเจ้าเนี่ยที่พระเจ้าตัดสรบทธรรมชาติแท้ๆ แ, แล้วเนี่ยเอามาแจกแจงช่วยมีสติธรมาีมมิปัญญาช่วยมีปัญญาให้เข้าใจที่ถูกต้อง สิณวิชาคือความหลงยึดนั้นไอ้ขันห้าเนี่ยที่มันผสมจากธาตุเนี่ยที่มันประสมมาโดยที่ไม่ไม่ได้เอ า, อาวิชาเข้าไปไ ป, ไปยึดขันห้าเนี่ยแล้วไมพอมายึดขันห้าว่าเป็นตัวเราคือไอ้ตัวที่มันเกิดใหม่แต่ละแต่ละชาติแต่ละชาติเป็นตัวเรามันลืมว่าเราแท้ๆคือใครมันไม่รู้เลยว่าก่อนมาเกิดเนี่ยเราคือใครก่อนที่มาเกิดเป็นรูปร่างที่มานั่งต่อหน้าลุงต า, ตานเนี่ยคือใครนไม่รู้เลยว่าเราคือใครแล้ว พอเรามาเกิดแล้วเนี่ยใครคือเราแล้ว ท, ท, ที่ที่นั่งอยู่เนี่ยใครคือเราแล้วก่อนมาเกิดเนี่ยใครคือเราไอ้ตัวเราเรื่องไงเนี่ยไอ้ก่อนมาเกิดเป็นตัว เ, ว เ, วเ น, วนี้ยใครคือเรากันแน่เราเป็นใครกันแน่ในในตัวเ น, นี้ยในรูปร่างที่มานัง่งเนี่ยเราคือร่างกายนี่หรือไงเราคือไอ้ไอ้ทีีตาหูจมูกเล่นกายใจที่มันพูดได้นี่หรือไงเราคือไอ้ตัวนี้ที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มีจําได้ไหมายรู้มีอารมณ์ต่า ง, างๆนี่เลยๆ หรือเราคืออะไรหรือว่าเราคือความรู้พุทธะที่เป็นความว่างเปล่าตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีไม่มีอะไรเลยแล้วที่มันตายแล้วมันถ่ายล่างไปแต่ละร่างแลถ้าเราเป็นตัวเราแต่แท้ไร้ร่างเนี้ยมันแตกดับได้ยังไงอะแล้วมันแตกดับแล้วเราหายไปไหนไปร่างนี้ก็ต้องแตกดับเพราะร่างนี้แตกดับแล้วไอ้ความรู้สึ ก, สกนึกคิดอารมณ์ความจําได้ไหมารู้ต่างๆการรับรู้ต่องตาหจมูกลิ้นกายใจวิญญาณาขันก็ดับหมดเพราะ ตาก็เน่าหู ก, ก็เน่าจมูกก็เน่าปิ้นก็เน่าแล้วร่างกายก็เน่าไม่มีไม่มีประตูสัมผัสประตูใจที่ติดอยู่กับร่างกายก็เน่าไปหมดแล้ววิญญาณขันไม่สามารถทํางานได้เพราะหมดประตูแล้วมันก็ดับหมดขันห่าก็ดับหมดดั้นขันห่ามันดับไปทุกชาติแต่ความหลงยึดมันยังไม่ดับ มันก็ไอความหลงยึดไม่ดับกาวเหนียวมันไม่ดับมันไม่เสร่อมคุณภาพมันก็ไปไปรวมเอาไอไอธาดดินน้ำลมไฟอากาศธาดธาดรู้ที่เป็นความว่างเปล่ามันรวมกันอีกได้กาวเหนียวมันยังไม่มันยังไม่ไม่คุณภาพมันจะเป็นความหลงมันไม่เป็นทองคําที่บริสุทธิ์ยังมีแล่ธาตุผสมอยู่เอาวิชา มันยังไม่ได้ถูกถะลุงเอาวิชาออกที่แรกชาติที่ปอมผลมันยังไม่เป็นทองคำไปสุดยังไม่เป็นจิต เ, เดิมเดิมแท้ๆหรือใจด่างเดิมแท้ๆที่เบยสุดมันก็เลยยังไปรวมกับรวมกับเป็นร่างนู้นร่างนี้ต้องไปรับความทุกข์ท ร, รามานโศกเศร้าเสียใจขับแค้นใจแล้วก็แตกดับทํำลายกลัวตายกระเสือกกระสนไปทุกร่างแล้วก็เปลี่ยน่ายร่างใหม่ๆแล้วก็เปลี่ยน่ายร่างใหม่ๆเปลี่ยนทายร่างมาใหม่มันยังไม่เข้าใจสักทีในชาติใดชาติหนึ่งว่าเราแท้ๆคือใครใครคือเราแท้ๆที่อยู่ในร่างเนี้ย เราคือไอตัวที่มันมีเต่าหัวจมูกิ้มกายใจมันที่มันพูดได้มีความรู้สึกนึกิดอารมณ์มีอารมณ์ต่างๆได้หรืออย่างไรหรือคือความรู้ที่ว่างเปล่าที่เป็นพุทธะไม่เข้าใจเลยทั้งชาติหนึ่งเวลาที่มันเข้าใจเนี่ยเวลาที่แท้คือใครใครคือเรากันแน่เราคือใครที่ไม่เคยไม่เคยเกิดไม่เคยตายไม่เคยแตกดับทํำลายเป็นอมตะนั่นแนะคือใครกันเราคือใครเราไม่เข้าใจ นั้นไอติที่มารวมกันเป็นขันห้ามันไม่ได้เป็นกิเลสกิเลสมันเพราะว่าเอาวิชาที่ติดอยู่กับธาตุรู้เนี่ยมันไปยึดเข้ามรรคาเป็นกิเลสแต่ขันห้ามันก็ไม่ใช่ธาตุรู้เพราะว่ามันเอาต้องกธาตุดินน้ําลมไฟแล้วธาตุอากาศกัธาตุธาตุรู้มันรวมกันถึงเป็นขันห้าแั้นขันห้ามันจึงไม่ใช่ธาตุธาตุไม่ใช่ขันห้าแต่ขันห้ามันเกิดมาจากธาตุรวมกันขันห้ามันเกิดมาจากธาตุรวมกันแต่มัน มันมีความหลงอยู่ในธาตุมันเลยเอาธาตุเอาความเอาวิชาที่อยู่ในธาตุเนี่ยมายึดขันห้าซะเบรกการกิเลสแล้วก็มันเอาขันห้านี่เองอ่ะเอาเครื่องมือที่เป็นขันห้าไปยึดยึดสิ่งใดภายนอกของขันห้าทั้งหมดเลยยึดผัวยึดเมียยึดลูกยึดพ่อแม่พี่น้องสมบัติมาตรฐานตำแหน่งลาบยึดยึดจนเป็นความทุกข์มันเอาเครื่องมือของขันห้าไปยึดแต่ตัวขันห้าเองแท้แท้ ไม่ได้เป็นกิเลสเป็นแต่กระบวนการทํางานของชีวิตของธาตุที่ประกอบรวมกันที่ลวงตาพยายามพูดจำจังว่าขันห้าไม่ได้เป็นกิเลสความคิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่เราไปบอกมันว่ามันเป็นอกุศลมันก็ไม่ได้เป็นกิเลสทำไมมีใครไปยึดไม่เป็นกิเลสความรู้สึกที่มันถูกใจไม่ถูกใจมันเป็นเพียงแค่สุขเวทนาหรือว่าถูกใจก็สุขเวทนาไม่ถูกใจก็เป็นทุกขเวทนาเป็นกลางๆก็เป็นอทุกขมาสุขเวทนามันเป็นเรื่องของธรรมชาติ ขันห้าไม่ได้เป็นนิพพานขันห้าไม่ได้เป็นกิเลสและขันห้าไม่ได้เป็น น, นิพพานรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เป็นนิพพานขันห้าไม่ได้เป็น น, นิพพานและขันห้าไม่เป็นกิเลสเขาไม่ต้องย้ำอย่างนี้ก็เพราะว่าปีผู้ปฏิบัติธรรมจานวนมากปฏิบัติผิดในกรณีที่หนึ่งก็คือพยายามไปดับ กระบวนการทำงานของขันห้าพยายามจะทำที่ขันห้าหเป็นนิพานคือดับความคิดดับอาการทุกชนิดให้มันว่างปฏิบัติโดยพยายามไปดับความคิดดับอารมณ์ดับความรู้สึกทุกชนิดให้มันว่างเปล่าอย่างเดียวให้มันนิ่งให้มันเฉยให้มันว่างขันห้าไม่ได้เป็นกีเลสบอกแนละ้ว และขันห้าก็ไม่ได้เป็นนิพพานเราไปทำอย่างไรที่ขันห้าหตายมันก็ไม่ได้เป็นนิพพานเพราะขันห้ามันเป็นธรรมชาติของการปรุงแต่งของกระบวนการทำงานของธรรมชาติคือธาตุมารวมกันเป็นกระบวนการของชีวิตตามปกติแต่คนทั้งหลายมาปฏิบัติเนี่ยเกินกว่าครึ่งหนึ่งที่มาหาไปไล่ดับความคิดไล่ดับอารมณ์ได้ไล่ดับความรู้สึกให้มันนิ่งว่างเชย ไม่มีความคิดอะไรไปดับการกระบวนการทำงานชีวิตของขันห้าทั้งหมดเลยทำให้ความจำได้หมายรู้เริ่มหายไปช้าตาก็ไม่กอกหันก็ช้าพูดก็ช้าค่อยค่อยหมดสภาพไปเรื่อยๆจากเป็นคนที่ปกติกค่อยค่อยกลายเป็นท่อนไม้ ทำคนที่เป็นคนให้เป็นให้เป็นวัตถุเฉยเฉยให้กลายเป็นวัตถุตั้งนั้น่ะค่อยๆดับธรรมชาติไปหมดเลยค่อยๆดับไปขันห้าเขาก็ต้องเป็นขันห้าเอาวิชามันติดอยู่ที่ธาตุรู้นั่นแหละเพียงให้มันรู้ความจริงขึ้นมาในที่ธาตุรู้นั่นแหละเพราะารู้ไม่ใช่ขันห้าขันห้าไม่ใช่ธาตุรู้เพียงแต่ให้ที่ธาตุรู้เนี่ยมันรู้ความจริงขึ้นมาตามความเป็นจริงอย่างที่พูดนี้ว่าขันห้ามันไม่ใช่กิเลส ต่อให้มันคิดดีคิดว่า ค, คิดกลางๆคิดกุศลก็อกุศลอะไรก็ตามเพราะว่าเราไปให้ชื่อสมมตุติวันนี้อยู่อกุศลต่อให้มีอาการอะไรถูกใจไม่ถูกใจหรือเป็นากลางๆอะไงก็มันก็ไม่ได้เป็นกิเลสมันก็ไม่ได้เป็นนิพพานแล้วเราต้องไม่ไปปรุงแต่งที่ขันห่านะไม่ไปดับขันหนะ่าไม่ไปดับขันห่าแล้วก็ขันห่าก็ทํางานปกติแต่ไม่มีผู้เข้าไปยึดแน่ๆจึงพ้นจากทุกข์ได้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ปล่อยให้ขันห่าก็ทํางานตามปกติ ไ ม, มมไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวเราหลงไปกับขันห้าไม่มีความรู้สึกว่าตัวเราไปดับขันห้าไปดับขันห้าไม่ให้ปรุงแต่งที่เป็นธรรมชาติไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวเราหลงติดไปกับขันห้าที่ก็ททำงานตามปกติแล่าไปยึดนั่นยึดนี่ไม่หลงว่าตัวเราเนี่ยเป็นขันห้าแล้วเอาตัวเราหลงคิดปหลงคิดหลงปรุงแต่งหลงคิดหลงปรุงแต่งหลงเป็นผู้เล่นหลงเป็นผู้แสดง หลงว่าตัวเราเป็นขันห้าหรือมีตัวเราอยู่ในขันห้าหรือมีขันห้าเป็นหรือขัดยึดเอาขันห้าเป็นตัวเราแล้วก็เอาตัวปุงแต่งตัวคิดตัวนึกเนี่ยคือตัวเราตัวเราเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ตึกผู้ตอผู้มีความรู้สึกตัวแม้แต่สติสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวมันก็เป็นขันห้าพวกเครื่องมือของขันห้าเอามาใช้เพื่อให้สิ้นยึดเฉย เพื่อสิ้นหลงสิ้นยึดเพื่อเกิดความเข้าใจว่าขันห้าไม่ใช่เป็นนิพพานไม่ใช่มาปรุงแต่งในขันห้าให้มันไม่ปรุงแต่งแล้วทําให้มันวิ่งว่างเฉยไม่คิดไม่นึกให้มันเป็นกลางๆอยู่ตลอดเวลาแล้วจะเป็นนิพพานว่าปรุงแต่งที่ขันห้าเป็นนิพพานไม่ได้เพราะธรรมชาติของขันห้ามันเป็นขันห้าคุเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งเพียงแค่สิ้นยึดขันห้าเท่านั้นเองคือเรียกว่าละอุปทานขันห้าละอุปทานขันห้าจึงจะเป็นนิพพาน ไม่ใช่ว่ามาปรุงแต่งขันห้าให้มันไม่ปรุงแต่งให้มันนิ่งว่างเฉยมันคนละเรื่องกันเลยปรุงแต่งขันห้ามันนิ่งว่างเฉยโล่งโป่งเบาสบายจะเลือกเอาแต่สุขเวทนาคือโป่งโล่งเบาสบายไม่งั้นก็เลือกแต่นิ่งว่างเฉยนิ่งว่างเฉยไอเนี้ยไปเลือกเอาอุเบกขาเวทนาแบบนี้มันยึดมันกลายเป็นยึดมันเป็นกิเลสทันทีเลยมันต้องสิ้นยึดขันห้าสิ้นอุปทานขันห้ามันจึงจะเป็นนิพพาน แล้วก็ไม่หลงเอาเนี่ยพอสิ้นยึดขันห้าแล้วก็มันจะไม่หลงเอาขันห้าเนี่ยไปยึดใจที่ว่างเปล่าอีกไปยึดไอ้จิตตั้งเดิมจะแท้ซึ่งปรุงแต่งไม่ได้มันก็จะไม่ไม่เอาส่วนที่ปรุงแต่งคือยึดเอาขันห้าเนี่ยไปปรุงไปยึดพยายามไปยึดใจให้มันว่างๆไว้ไงพยายามทำใจมันน้องว่างไอ้ใจที่ว่างๆมันไม่ใช่เป็นความว่างโดยธรรมชาติของมันคือว่างจากความยึดมั่นถือมั่นเหลือแต่ธาตุรู้ที่บริสุทธิ์มันต่างกันมากนะพยายามจะทําใจให้มันว่างๆ ให้มันมีแต่ความรู้สึกว่างอย่างเดียวไม่มีความรู้สึกอย่างอื่นเขออ้ามาผลไม่มีกิริยาการใดมาผลอันนี้มันไม่ใช่ธาตุรู้ที่เป็นความว่างเปล่าที่ปรุงแต่งไม่ได้ไอ้ที่เราปรุงแตง่งอะเรารู้ปรุงแต่งให้มีแต่ความรู้สึกว่างอย่างเดียวส่วนอาการอื่นๆเนี่ยไม่เอาเลยสังขารทั้งหมดอะเราปฏิเสธใจปฏิเสธสังขารอื่นทั้งหมดเนหลือแต่ความว่างอย่างเดียวเอาไว้อันนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นความว่างของธาตุรู้ตามธรรมชาติที่มันสิ้นอวิชชา จึงเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์แต่อันนี้มันปรุงแต่งเอาขันห้าไปยึดอุเบขาเวทนาให้มันเป็นความว่างไว้โดยไม่ยอมรับรู้สังขารปรุงแต่งอย่างอื่นทั้งหมดให้เหลือแต่รู้แต่ความว่างคือเอาตัวเราเนี่ยซึ่งเป็นขันปรุงแต่งขันห้าในความรู้สึกเป็นตัวเราแล้วเอาตัวเราเนี่ยไปรู้แต่ความว่างความรู้สึกว่างไปรับรู้แต่ความรู้สึกว่างมีพูดมาอยู่ต่อหน้าเราหลายคนที่ เอาตัวเราซึ่เป็นขัดเอารู้สึกเอาขันห้าเนี่ยมาปรุงแต่งเป็นตัวเราแล้วเอาตัวเราเนี่ยไปรู้แต่ความว่างไปเสพความว่างไปเสวยความว่างอันนี้เป็นความหลงอย่างไร้กาศมากเลยคือเอาตัวเราไปยึดความว่างเลยแต่ความว่างนั้นอ่ะก็ไม่ใช่ว่าเป็นธาตุรู้ที่ว่างเปล่าที่สิ้นความยึดบ้านถือมั่ น, นแต่กลายเป็นว่าเอาตัวเราเนี่ย<ม>เอาขันห้ามาปรุงแต่งเป็นตัวเราหรือเอาตัวเราเนี่ยเป็นขันห้า แล้วตัวเราเนี่ยไปรู้แต่ความว่างแล้วไปยึดความว่างไว้อาการอื่นไม่ยอมรับรู้นี่คนละเรื่องละราวเลยเนี่ยแบบนี้วิธีแก้ตรงนี้ถ้ามันผิดพลาดอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันตกไปในช่องว่างตรงนี้เรื่อยๆเมื่อวานก็มีนอนนอนนอนนอนหลับอยู่แล้วก็ว่างไปเลยนอนหลับอยู่ที่ไรละ่ะพอล้มตัวลงนอนแล้วก็ว่างไปล้มตัวลงนอนแล้วก็ว่างไปเลยอันนี้มัน ความว่างที่เป็นธาตุรู้ที่ว่างเปล่าที่เป็นพุทธะเนี่ยคือมันว่างเปล่าจากความยึดมั่นถือมั่นขันห้าและว่างเปล่าจากความยึดมั่นถือมั่นความว่างมันจึงเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์จึงเป็นธาตุว่างเป็นพุทธะที่เป็นความรู้ที่บริสุทธิต์ตอนนี้มันยังไม่ได้สิ้นหลงยึดมั่นขนันไอขันห้าเลยแล้วมันยังยึดความรู้สึกที่ว่างไว้เข้าใจว่าความว่างคือนิพพานเข้าใจว่าความว่างคือนิพพาน พอนอนลงที่ไหลล้มตัวลงนอนที่ไหล่เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าล้มตัวลงนอนที่ไหลมีความรู้สึกว่าว่างไปเลยล้มตัวลงนอนที่ไหล่ก็มีความรู้สึกว่างไปเลยไอ้ความว่างอันนี้คือมันเอาขันหน้าเนี่ยเอาความรู้ขันหน้าเนี่ยมันรู้สึกเป็นตัวเราแล้วเอาตัวเราเนี่ยไปยึดความว่างไว้ในความรู้สึกเพราะเราชอบความว่างไว้ในความรู้สึกเราเนี่ยคาดหมายนิพพานผิดคาดหมายเพราะนิพพานคือความว่างพอนอนลงแล้วก็รู้สึกว่างไปเลย นอนลงแล้วรู้สึกว่างไปเลยอันเนี้มันไม่ได้ปล่อยวางขันนะความว่างที่มันเกิดขึ้นมาในใจที่มันว่างจากความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นจิตเดิมแท้ๆความรู้ที่เป็นพุทธะคือมันรู้แล้วมันไม่ยึดอะไรเลยขันห้ามันก็ไม่ยึดแม้แต่ความว่างมันก็ไม่ยึดความปุงแต่งมันก็ไม่ยึดความคิดที่เป็นกุศลนกุศลมันก็ไม่ยึดความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกากามันไม่ยึดทั้งนั้นน่ะ มันสิ้นยึดแล้วมันจึงเป็นความว่างเป็นธาตรู้ที่เป็นพุท ธ, ธะคือรู้ว่าตัวเองอะสิ้นยึดแล้วเป็นความว่างที่บริสุทธิ์คือว่างจากผู้ยึดมั่นถือมัน่นอันเนี้มันนอนลงไปก็รู้สึกว่างไปเลยนอนไปก็รู้สึกว่างไปเล ย, นนเลยหลายคนทําแบบนี้ปฏิบัติเนี่ยอะมากเลยแล้วอยู่ๆทําตัวเป็นโลกเ อ, อ๋อร์ไปซะอย่างนั้นนี่ยไม่ยอมรับรู้อะไรตามความเป็นจริงวิธีปฏิบัติเนี่ย มันไปทำที่ขันหน้ามไม่ได้ไปปรุงแต่งที่ขันหน้าไม่ได้พยายามเอาขันหน้าที่มันธรรมชาติไปปรุงแต่งเนี่ยให้มันดับความคิดดับอารมณ์ดับความรู้สึกก็มันนิ่งว่างเฉยรู้อะไรมันเออเฉยอย่างนั้นแหละเอาเอาธรรมชาติที่มันปรุงแต่งควรจะเป็นเป็นปรุงแต่งตามธรรมชาติไอ้มันนิ่งว่างเฉยซะอย่างงั้นแหละมันก็เลยไปปรุงที่ขันหน้าไปเล่นกับขันหน้าเอาขันหน้าไปเล่นขันหน้าเอาปรุงกันเองดับกันเองปรุงกันเองดับกันเองแล้วก็คิดว่ามันจะเป็นนิพพานได้ มันต้องละอุปท า, านขันห้าสิ้นจิตขันห้าเพราะเห็นขัหานหน้าเนี่ยเป็นธรรมชาติที่มันปรุงแต่งมาจากการผสมกันที่หลวงตาพูดแล้วผสมกันของธาตุตั้งแต่สเปิร์มของพ่อไข่ของแม่สเปิร์มของพ่อก็เป็นธาตุดินไข่ของแม่ก็เป็นธาตุน้ําและกินซากพืชซากสัตว์เข้าไปเนี่ยกินของเน่าๆไปเช่นกันนะเนี่ยก็จะกินธาตุลมธาตุน้ำธาตุไฟเข้าไปเข้าไปผสมกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยขันห้านี่มันคือมันคดสิ่งผสมปรุงแต่งมาจากธาตุซากพืชซากสัตว์ จะไปยึดมันปล่อยมันไปเดี๋ยวมันก็ต้องดับแก่เจ็บตายดับผูพังสลายไปส่วนเราแท้แท้เนี่ยเราไม่ใช่หมายถึงตัวเราที่เป็นตัวตนที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ได้นะเราแท้คือจิตตั้งเดิมแท้ที่เป็นพุท ธ, ธะไม่แตกไม่ดับไม่ทําลายไม่เคยเกิดไม่เคยตายมันเปลี่ยนถ่ายล่างไปพอมันสิ้นในอวิชชาที่มันติดมากับจิตเดิมแท้อวิชามันไม่ได้ไปอยู่ในขันห้านะ มันอยู่ที่จิตเดิมเดิมแท้ๆนี่เนี่แต่มันไปหลงยึดเอาขันหน้มันเป็นมันติดอยู่ที่ธาตุรู้ที่มันรู้หลงเนี่ยมันไปรู้มันไปยึดเอาขันหน้าที่ผสมเสร็จแล้วเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราพอสิ้นยึดปุกขันหน้คงเป็นขันหน้าตามเดิมไอ้จิตเดิมแท้ๆก็เป็นคงเป็นความเป็นพุทธะเป็นความรู้ที่ว่างเปล่าตามเดิมดับไปเฉพาะอวิชชาที่ติดอยู่กับไปธาตุรู้เฉยๆไม่ใช่ว <m urs in life> ่าพอสิ้นอวิชชาแล้วขันหน้ามันดับไม่ดับแล้วมันยังไม่ดับก็ทํางานมันไปยังไม่ตายนี่ตยรอ เหลือแต่ธาตุรู้ที่เป็นพุทธะที่เป็นความรู้ที่ว่างเปล่าหายไปหายตัวไปเกิดไปในหนึ่งเดียวกับความว่างจักรวาลแต่เป็นความว่างที่เป็นพุทธะเป็นความรู้ถ้าเราก็ใจอย่างนี้ทุกขณะปัจจุบันเนี่ยเราก็ปล่อยวางสังขารทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นในใจเราไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อาการทุกชนิดที่มันเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยที่ก็เพิ่มได้ไหวตัวได้จากไม่มีเป็นมีขึ้นมาจากไม่ปรากฏเป็นปรากฏขึ้นมาจากไม่มีอาการเป็นมีอาการขึ้นมามันเป็นขันห้าทั้งหมดที่มันแสดงกิริยาการได้ล้วนแต่เป็นนขัหมด ถ้ามันเป็นขันห้าหมดก็ปล่อยวางมันไปให้หมดเพราะว่าขันห้าไม่ใช่นิพพานไม่ใช่ไปปรุงแต่งขันห้าพยายามทําขันห้าให้เป็นอย่างไรถ้าจิเป็นนิพพานมีได้ปล่อยวางขันห้าที่เกิดขึ้นในใจทําไมล่ะสิ่งที่มันเกิดเดดับดับในใจเราเป็นจิงเป็นขันห้าเวลาเราไปรู้อะไรเนี่ยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยหรือไปรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสเนี่ยขณะที่วิญญาณขันเนี่ยจิตหรือวิญญาณขันในขันที่ห้าเนี่ยไปรู้อะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ เขาจะต้องทํางานเรื่วมกับเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขารอีก3ขันคือเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันเรียกว่ารวมว่าเจตสิกเจตสิกเนี่ยทำหน้าที่คือเกิดพร้อมจิตหรือวิญญาณขันแล้วก็ดับพร้อมจิตหรือวิญญาณขันตามพระอภิธรรมพระอภิธรรมคือคําสอนพุาาทธเจ้าแบ่งออกเป็นรูปจิตเจตสิกนิพพาน รูปจิตเจตสิกนิพพานรูปก็คือร่างกายจิตก็คือวิญญาณขันธ์เจตสิกก็คือเวทนาตัญญาทั้งขันธ์แล้วก็นิพพานคือพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นสิ oh ้นความยึดมั่นถือมั่นจึเป็นนิพพานคือจิตที่บริสุทธินั่นเองหรือธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ที่สิ้นความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละจึงเป็นนิพพานนิพพานไม่ใช่ว่าขันธ์อ้าเปนิพพานไม่ใช่จิตดั้งเดิมประแทหรือใจดั้งเดิมประแทหรือ หรือธาตุรู้ที่เป็นความว่างเป็นนิพพานนะนสิ้นยึดเนี่ยความสิ้นยึดเนี่ยจึงสิ้นทุกข์จึงเป็นนิพพานพ้นทุกข์เขาเรียกนิพพานมีชื่อสมมติว่านิพพานคือสิ้นยึดอะไรสิ้นยึดทั้งขันห้าและสิ้นยึดใจที่จะให้มันว่างเพราะใจหรือจิตตั้งเดิมแท้เป็นความว่างและตามธรรมชาติไม่ใช่ว่าเราไพยายามยึดใจให้มันว่างออันนี้ใจที่ว่างไม่ได้เป็นนิพพานแต่ความหลงสิ้นยึดรักษาใจให้ว่างจึงเป็นนิพพาน สรุล้นิพพานคือความหลงสิ้นยึดขันห้ากับหลงสิ้นยึดจิตตั้งเดิมตั้งแทหรือใจตั้งเดิมตั้งแทที่เป็นความว่างจึงจะเป็นนิพพานดังนั้นขันห้าไม่เป็นนิพพานจิตตั้งเดิมตั้แทหรือใจตั้งเดิมตั้แท ไ, ไม่ได้เป็นที่เป็นความว่า ง, งไม่ไเป็นนิพพานจะไปหลงเอาใจที่ว่างๆเป็นนิพพานมิฉะั้นจะมุ่งสู่ทําใจให้ว่างอยู่ๆก็ทําใจให้ว่างทําใจให้ว่างมาเฉยเลยใจ ว, ว่างไม่ได้เป็นนิพพานสิ้นยึดใจที่ว่างสิ้นยึดขันห้าจะเป็น น, น, นะ น, นิพ พอสิ้นยึดจึงเป็นทุกจึงสิ้นทุกสิ้นกิเลสถ้ายังยึดอยู่ก็จะเป็นทุกเป็นกิเลสอยู่ไม่เรียกว่นนานิพพานนั้นขันห้าที่มันรูปพิทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ได้เป็นนิพพานแล้วก็จิตดั้งเดิมแท้หรือใจตั้งเดิมแท้ตึ่งเป็นความว่างใจว่างไม่ได้เป็นนิพพานไม่อย่างนั้นปฏิบัติมุ่งก็แต่จะไปเอาใจที่ว่างหลงผิดมันต้องสิ้นยึดสิ้นยึดทั้งสังขารและสิ้นยึดทั้งใจที่ทว่างจึงเป็นนิพพาน